เอาก็ขอโมทนากับพวกเราเนะตั้งใจในการศึกษาวระธรรมกันเอาวันนี้ก็เป็นวันที่18เมษาเอาตอนนี้ก็ขึ้นในด้านของเวท น, น, นานะุปัสนาเนอะในถึ ง, งเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานพูดถึงเรื่องของเวทนาในการศึกษาเกี่ยวในเรื่องของเวทนานุปัสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ศึกษากันมาค่อนข้างค่อนข้างนานใช้เวลาค่อนข้างศึกษากันค่อนข้างเยอะนะ เกี่ยที่เยอะก็เพราะว่าเรื่องของเวทนานนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีความวิจิตในคําสอนของพระผู้มีพภาคเจ้าในพระองค์จะสอนเกี่ยวเรื่องของเวทนาแล้วก็พูดตั้งแต่เรื่องระดับชั้นของกามเนนะี่ในเรื่องของกามมศุขทั้งหลายเนี่ยบางแห่งบางที่โดยเฉพาะเกี่ยวกัเรื่องของเวทนาสังยุทธ์เนี่ยนะตรงนี้สรุปให้เราทั้งหลายได้ฟังก็คือว่าในเรื่องของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลก ในการมาภูมิทั้งหลายเนี่ยนะโดยมากก็จะติดในวัตถุกรรมในวัตถุกามนั้นสัตว์ทั้งหลายก็จะแย่งชิงกันอะไรแย่งชิงกันสุขเวทนากันฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเมื่อแย่งชิงสุขเวทนากันแล้วสัตว์ทั้งหลายก็เกิดการทะเลาะวิวาสขัดแย้งกันเป็นต้นนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายกําลังแย่งชิงกามาสุขกันไอ้สุขที่เกิดขึ้นจากวัตถุกรรมเวทนาที่อิงามิสเนี่ยเป็นเวทนาที่ มีรสชาติที่หอมหวานสำหรับบคุคคลผู้โง่เขาลาสาบนานั้นก็จะแย่งชิงกันอย่างชนิดที่ว่าไม่รู้จักดูดูเหมือนว่าจะเป็นคนมีความรู้กันเนี่ยนะแต่จริงๆก็คือมาติด ก, กับไอ้วัตถุ ก, กรรมเงนทั้งหลายแล้วก็แย่งชิงเมื่อเกิดการแย่งชิงกันก็เกิดการทะเลาะวิวาดมีการให้ร้ายป้ายสีกันมีการทิ่มแทงกันด้วยหอกหรือปากและหนส่วนจริงก็ใช้กาลังดยการใช้ไม้ใช้กระบองบ้างแล้วก็ใช้ อาวุธยุโทโธปกรณ์ ต, ต่างๆเข้าห้ามผ่านกันอันนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสัตว์เหล่านั้นก็แย่งอะไรแย่งสุขเวทนาแย่งเวทนาที่อิอองอามิ t h สุขเวทนาที่อาศัยอามิ t h มันให้โทษอย่างเนี้ยทุกขเวทนาที่อิงอามิ t h เวขาเวทนาที่อิงอามิ t h ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ไล่ลําดับไปปะสูงไปกว่านั้นก็คือสัตว์ทั้งหลายก็ติดวัตถุกรรมประเภทในกาลมาสุข เช่นเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตานิมานารีปรานีมิสวาสวัสดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ลวดด้วนอยให้กามาสุขหมดเลยใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายก็ติดแน่นอีกบางคนเน่ยได้เวทนาที่ประณีตไปหน่อยก็เป็นเวทนาที่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเวทนาในชั้นดาวดึงชั้นยามาดุสิตนิมานารีปรานีปรานีมิสวาสวัสดีไอ้ตัวความสุข ที่เกิดจากเวทนานั้นก็ละเอียดก็ประณีตสัตว์ทั้งหลายก็นี่แหละก็เต็มไอตัวสุขเวทนาที่อีงามิดกันเนี่ยเรื่อยๆไปตามลําดับถามว่าในบรรดาเวทนาต่างๆเหล่านั้น น, น่ยประณีตกว่าแล้วมันมีแค่นี้ไหมพุทธเจ้าออไม่ใช่มีเวทนาที่ละเอียดไปกว่านี้อีกพระองค์ก็เลยทรงสแสดงเวทนาในปฐมวชานเวทนาในปฐมวชานที่ประกอบไปด้วยตกวิจารปิติสุขเวทนาเอกขัตถาก็เลยสแสดงว่าเวทนาที่ในปฐมวชานที่ สัว์ทั้งหลายเนี่ยที่ไปเห็นโทษของเวทนาในกาบคุณก็น้อมก็หาเวทนาในปฐมฌานพอน้อมก็หาในเวทนาในปฐมฌานบางกลุ่มบางเหล่าก็ยึดมั่นว่ามีเท่านี้แหละไม่มีอะไรสุขเกินกว่าปฐมฌานแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในสุขเวทนาในปฐมฌานซึ่งอย่างเราท่านทั้งหลายยังไม่ได้ดริมรดเลยยังไม่เคยได้ริมรดเลยนะในปัจจุบันนภพเนี่ยนะแต่ถ้าอะไดีแต่ภพนั้นนะ่ะก็หลงมัวเมากันอย่างยาวไกลแล้ แต่ที่เราท่านทั้งหลายตอนนี้ที่ติดกันอยู่ก็คือติดเวทนาใ น, นวัตถุกรรมในที่วิ่งวิ่งกันอยู่เนี่ยเที่ยววิ่งอะไรต่างๆเราเนี้ยนะก็ติดไอ้เวทนาที่อาศัยวัตถุการมเป็นต้นแต่สูงไปกว่า น, นั้นหน่อยก็คือเวทนาที่ในวัตถุมชฌาพระพุทธเจ้าเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่นั้นแม้เวทนาในทุติยฌานก็ละเอียดกว่าประณี ก, กว่าเวทนาในปัตมัชฌา สัตว์บางจกลุ่มบางพวกก็สําคัญผิดว่าเวทนาในทุติยชาญเป็นที่สุดสูงสุดของเวทนาแล้วเห็นไหมกลมุกมกมกม่มหนึ่งบอลในการมาสุกยห็นไหมเวทนาในการมาภูมิเนี่ยโอ้โหสุกสูงสุดแล้วส่วนอีกกลุ่มหนึ่งพัฒนาขึ้นไปหน่อยก็ไปอยู่ในปฐมชาญก็บอกโอ้โหในปฐมชาญเนี่ยเวทนาละเอียดแล้วสุกไปกว่า น, นี้ก็ไม่มีแล้วผู้เจ้าปฐมชาญเวทนาที่ละเอียดกว่า น, นั้นก็มีก็สอนเวทนาในทุกทุเตีชาญผู้ เวทนาในตุเตชะ์หรือถือว่าละเอียดแล้วไปเจอเวทนาในตติยะชาญใช่ไ ม, มีเพราะเวทนาในตติยะชาญเนี่ยก็แปลว่าปีติสุขเวทนาเอกขกตาเนี่ยถ้าระดับเจตุ ก, กันนยก็คือปีติไม่มีแล้วมีแต่สุขกับเอกขกตาหรือสุกเวขาเนี่ยนะถ้าเวทนาในเจตุทะชานเนี่ยถ้าอยากเจตุ ก, กนนายจะมีสีใช่ไหมตามติดข่าบุคคลเนี่ยนะก็สูงสุดและมีเวขา เอกขาตาเลยทีนี้เวทนาที่เกี่ยวกับพันกันในเรื่องของรูปหนึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่ายังมีเวทนาที่ละเอียดประณีตกว่าก็ไปบอกถึงเวทนาในอากาสารนัญญายาเวทนาละเอียดคนก็ไปติดอยู่แค่นั้นก็สําคัญพระุทธเจ้าก็สอนเลยไปอี ก, กว่าเวทนาในอากิาาตในวิญญาณญาณเวทนาละเอียดกว่าหรือประณีตกว่าสูงกว่าแล้วก็สอนไปอีกว่าแม้เวทนาในาอิณวิญญาณัญายเวนาก็ยังไม่สู้เวทนาในอากิณญาณญายเวนา แล้วก็สอนบอกว่าแค่นั้นยังไม่หมดนะเรื่องความสุขในเวทนาแม้เวทนาในเนวะสัญญานาสัญญายาตนะก็ชื่อว่าละเอียดและประณีตทีนี้สัตว์ตั้งหลายก็ท่องเที่ยวกันอยู่อย่างเงี้ยแต่เวทนาในเนวะพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่ละเอียดยังไม่ยังไม่ประณีตยังไม่สูงสุดเวทนาในสัญญาเวทายติโรสิงานพระพุทธเจ้าสอนเลยบอกวเวทนาในเวทนา ในสัญญาเวทีตานิโรธเนี่ยเป็นเวทนาที่ในนิโรธสมาบัติสรุปก็คือว่าเวทนาที่จะละเอียดที่จะประณีตสูงสุดจริงๆพวกที่เจ้าสอนอรลาตะผลอาธอราธมารมอาลาผลก็แปลว่าคนที่จะสามารถเข้าเวทนาสัญญาเวทยีตานิโรธได้คนคนนั้นจะต้องมีระดับอาลาตผลหรืออนาคามีผลเป็นต้นแล้วก็จะต้องชํานานในสมาบัติและในทีญญ่จริงๆก็คือว่าท่านสอนเรงการตัดเวทนานี้ที่ทั้งบวง นี่เราก็จะเห็นว่าเวลาพระเจ้าทรงสอนเนี่นะพระเจ้าก็จะไล่ไปตามลําดับว่าเวทนาที่อิงอามิ t h เนี่ยไม่ประเสริฐเลยแต่เวทนาที่อิงเนกขมะเนกขมะสูงสุดนั้นหมายถึงพระนิพพานนะทํายังไงจะดับเวทนาทําเวทนาให้เย็นเป็นต้นได้ตรงนี้เราก็ได้หลักได้หลักว่ากรณีที่เราท่านทั้งหลายศึกษาในเรื่องของเวทนาการศึกษาในเรื่องเวทนาเราก็จะต้องแยกให้ออกว่าเวทนาที่อาศัยอามิ t h เนี่ยนะ เวทณาที่อาศัยเนคขมะ่ว่ามันต่างกันยังไงทีนี้เวทนาที่อาศัยเนคขมั่วเวทนานั้นก็ต้องเป็นเวทนาที่เกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะมีการพัฒนาที่จะออกจากเวทนาเป็นต้นเหล่านี้ทีนี้ต้องมาพิจารณาอย่างนี้อย่างระดับเราทั้งหลายที่มานั่งศึกษาพระธรรมกันเนี่ยถ้าดูในระดับของอินทรีย์ใช่ไหมการงานของบุคคลเนี่ยนะของผู้ปกครองผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าอินทรีย์เนี่ยงานของผู้เป็นใหญ่คือการงานที่ไม่ ไม่มีสักคนเดียวเลยที่จะสามารถคัดค้านความต้องการของตนแหลกเองได้ในฐานะที่ตัวเองปกครองอยู่ในที่นี้ท่านมุ่งหมายถึงความเป็นใหญ่ในจิตนะหมายถึงอีสี่ห้าถามว่าเราจะพัฒนาให้เป็นสัตทินรียยังไงวิริยินรียสติินซียสมาทินรียแล้วก็ปัญญนทรียังไงเช่นศรัทธาเนี่ยนะตัวสัตทินระียเนี่ยก็คือศรัทธาเจตสิกไอตัวศรัทธาเจตสิกนั้นเป็นธรรมที่เป็นใหญ่อยู่สองอย่าง คือปกติศรัทธาและภาวนาศรัทธาทีนี้ในโดยคนทั่วไปเนี่ยนะศรัทธาที่เกิดกับทานศรัทธาที่เกิดกับศีลศรัทธาที่เกิดกับภาวนาปลอมๆทานปลอมๆศีลปลอมๆแล้วก็สมถะภาวนาและวก็วิปัสสนาภาวนาแบบปลอมๆเนี่ยเอาอะไรคือปลอมๆรู้ไหมปลอมๆก็คือว่า เป็นปกติศรัทธาเนี่ยปกติศรัทธานี่เมื่อพูดถึงการควบคุมดูแลจิตย่อมไม่ใช่ทาที่สามารถจะครอบงำจิตที่มันสัดสายฟุ้งซ่านได้ทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้นะบอกว่าศรัทธาเนี่ยถ้าศรัทธามันมันเป็นระดับศรัทธาปกติเนี่ยให้สังเกตดูว่าหนึ่งจะออกจากจะออกจากกรรมาคาุณไม่ได้ จะออกจากกา ร, รม่ฉันทาไม่ได้ศรัทธาแบบปกติเนี่ยมันจะออกจากพยาบาทไม่ได้ศรัทธาแบบปกติเนี่ยมันจะออกจากทีนมีธาไม่ได้ศรัทธาแบบปกติมันจะออกจากความฟุ้งซ่านไม่ได้ศรัทธาแบบปกติเนี่ยมันจะออกจากความหลงความไม่เข้าใจนีม่ไดแล้วก็ลองมาดูที่เรามันนั่งศึกษาก็ทําเนี่ยเรายังมีปัญหาแทรกตลอดไหมเรามันยังมีเออเกี่เรื่องของพยาบาทแทรกเป็นระยะไหม มันยังมีถีนะมิท่าแทรกเป็นระยะไหมมันยังมีอุทธจกักรกุกจักรฟงสร้างลาคาญใจแทรกเป็นระยะไหมมันยังมีความกลุ่มสามโมหาแทรกเป็นระยะไหมถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาที่จะเป็นภาวนาวิวริยะสติสมาธิปัญญาที่จะเป็นภาวนาวไม่เกิดการออกจากว่าตามกลุ่มเขาจะต้องพัฒนาศรัท ธ, ธาเป็นสตินซีใช่ไหมวิริยะธรรมดาเป็นวิญซีใช่ไหมสติธรรมดาให้เป็นสตินซีก็ใ ห, ให้คิดอย่างนี้ว่า จิตเนี่ยมันซัดสายไหมถ้ามันออกจากตรงเนี้นมาสรุปมาในจากไหนในปฏิสัมพิธามะไม่ใช่พูดเองเนอะสรุปออกจากมาจากในปฏิสัมพิธามะถ้าจะศึกษาปฏิสัมพิธามะอย่างเดียวยอมก็หนาวหนาวร้อนร้อนกันเลยไม่ไหวหรอกแต่ว่าศึกษาแล้วได้อะไรศึกษาแล้วทําให้รู้จักตัวเองมากเรารู้จักยังไง ทาให้รู้จักว่าโอ้โหเนี่ยเราเราเร า, เราต้องเราต้องเร่งมากวกว่านี้จริงๆเราต้องเพียรมากวกว่านี้จริงๆถ้าเราเพียรอย่างที่เพียรอยู่มานาติกาอย่างที่เป็นไปอยู่เนี่ยไม่ได้เน่นุนไม่สามารถที่จะออกจากสังสารวัตรเป็นต้นได้ประเด็นจริงๆก็คือถ้าถามยอมมุ่งมั่นอยากออกอย่ว่าแตทุกข์ไหมใช่ไหมแต่นี้ความอยากกับความที่จะตนเองนั้นจะต้องจะจะต้องศรัทธานั้นต้องต้องให้สมดุลกันใช่ไหม ทีนี้ต้องให้สมดุลกันก็คือว่าในกรณีที่เราจะเพิ่มภูเนี่ยน์จะทําศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้ตั้งมั่นให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเนี่ยตรงนั้นก็จะต้องจะต้องมีความชัดเจนในการที่จะทําให้เกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นอุวยเสียหายเลยถ้ า, าว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยไม่เข้าถึงความเข้มข้นจริงๆเนี่ยเสียหายแล้ว เอาเสียหายยังไ ง, งยกตัวอย่างเช่นกรณีที่บอกว่าทำถ้าเป็นปกติศรัทธาเนีก็ไม่สามารถจะควบคุมจิตที่ซัดสายไปมาเป็นต้นได้แต่ถ้าหากว่าในด้านของทานถ้าเราบอกว่าเราให้ทานจิตที่เราให้ทานก็ดีเราสามารถจะควบคุมจิตเราได้เปนระยะระยะ เรารักษาสีเราจเจริญสมถะภาวนาแบบปอมๆ อ, อ, อะไรแบบปอมๆเนี่ยนะมันคุมได้เป็นระยะระยะคือย่อมจะควบคุมจิตได้เพียงการให้ทานตามสมควรเกตถ้าไม่มีศรัทธาแล้วเนะี่ยจิตย่อมไม่รู้จกักกุศลแมสสักน้อยเลยใช่ไหมย่อมยินดีแต่ในบาปเท่านั้นแต่พวกเรามันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยพวกเรามันมีศรัทธาเนี่มีวิริยะสติสมาธิปัญญาเนะี่ยแต่มันเป็นแบบปกตินะเนี่ยตอนเนี้นเป็นแบบปกติ ยอมเข้าใจนะไมไ่นช่เนอะเอามาพูดถึงเข้าใจอยู่มันเป็นแบบแค่ปกติแค่นั้นแหละมันไม่ถึงขนาดที่ว่าถ้าภาวนาศรัทธายังเป็นศรัทธาที่ถูกบ่มเพาะจนได้เจริญคือเข้าถึงภาวนามีการเจริญอาณาปานสติเจริญกายคตาสติเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะแปลว่ามันสามารถเดินเดินก็าหาคําสอนของพระพุทธเจ้าค่อนข้างได้ชัดแล้วมันเดินได้ต่อเนื่องอนะ ถ้าในกรณีอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันระดับที่เป็นระดับถึงถึงภาวนาแล้วก็ถึงความเจเริญแล้วที่พอพูดถึงตรงเนี้ท้อไหมเจ้าพูดนี้ท้อไหมอ่ะทำไมไม่ท้อท้อไหมยอมมงคอนท้ออ่ะอ่ะไมไม่ท้อเดี๋ยวตรงนี้จามาสาธยายตรงนี้ฟังนิดหนึ่งนะศรัทธาเนี่ยลักษณะของศรัทธานี่นะเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะให้สังเกตอย่างนี้ตัวศรัทธาเนี่ย คือเป็นใหญ่ในการที่จะน้อมใจเชื่อในคุณของพระเจ้าใช่ไหมบุคคลผู้ราบความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาด้วยสามารถแห่งสัตรีก็เป็นไปในลักษณะอย่างเนี้อักของศรัทธาจริงๆก็คือการน้อมใจเชื่ออักของวิริยะก็คือการประคองสติก็คือสภาวะที่ปรากฏสมาธิก็คือข่มความพุ่งสร้างใช่ไหมปัญญาก็คือสติก็คือเป็นธรรมชาติที่ปรากฏดังที่ได้กล่าว สมาธิก็คือไม่ฟุง้งปัญญาก็คือเห็นหรือแทงตลอดนีสัตทินีเน้นน้อมใจเชื่อเป็นต้นทีนี้การที่สัตทินรียต่างๆเหล่าเนี้ยนะเป็นธรรมชาติที่มีการน้อมใจเชื่อเป็นต้นเหล่าเนี่ยเมื่อมีการน้อมใจเชื่อเป็นต้นเหล่านี้เบเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะเห็นวิริยะในการประคองสติก็จะปรากฏปัญ ญ, ญินรียก็จะแทงตลอดของบุคคลผู้สามารถละวิชาเป็นต้นนะ ทีนี้กรณีที่บอกว่าสัตว์ทินซีเนี่ยเขาเป็นใหญ่ในขนาดไหนเขาเป็นใหญ่ในขณะที่เขาน้อมน้อมใจเชื่อในคุณของพระรัตนตรยัยชัดเจนไหมหรอชัดเจนขนาดไหนสามารถแห่งเนกขมารของบุคคลผู้ลากาเมฉันธาเป็นต้นนนั้ก็หมายความว่าตัณหาจะไม่ค่อยแทรกหรอกคนที่มีสตานี่ยคือใจมันจะน้อมออกมันจะน้อมออกจากกามน้อมออกจากวัตถุกามแล้วน้อมออกจากกิเลสกา สรุปแล้วก็คือว่าคนที่มีศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยของพระเจ้ามากๆเนี่ยนะเวล า, าตัวสตินรีน้อมใจเชื่อขึ้นมาเนี่ยไอตัวตัณหาความอยากความยินดีความเพลิดเพลินการาคะเป็นต้นหเหล่านี้จะไม่แทร ก, กเข้าไปในใจมันออกมาได้จริงๆเป็นอย่างนั้นไหมทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าวิญซีแล้วก็ปรคองอ่ะสตินีก็ปรากฏใช่ไหม สมาธินรียก็ไม่ฟุง้งแล้วก็ปัญญรีย์ก็เห็นคืออย่างนี้เวลาศรัทธาเป็นใหญ่เนี่ยวุฒิริยะก็ประคองสติก็ปรากฏชัดสมาธิก็ทําให้ไม่ฟุง้งปัญญาก็มีอัดแห่งการแทงตลอดเข้ามารวมกันในการที่จะออกจากวัตถุกรรมแล้วก็ออกจากกิเลสกรรมใจก็น้อมสู่เนคเขามะใจเป็นอย่างนั้นไหมใจถึงขนาดนั้นไหมนี่แสดงว่าตัวกลุ่มของอินทรีย์เนี่ยเขามาพัฒนา พัฒนาจิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยให้เข้าถึงความแข็งแรงและเข้มแข็ง ม, มันจะไม่ตกเข้าไปในกาลมคุณเลยมันจะไม่ตกไปในวัตถุกรรมแล้วก็จะไม่ถูกกิเลสการครอบกิเลสกรรมนั้นครอบงํำเลยจิตใจมันจะผ่องใสในคุณของพระรัตนตรยัยและตอนนี้เป็นไหมถ้ามันนั่งเรียนงึ ก, งกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าออกจากเดี๋ยวเดี๋จะพูดถึงในเรื่องของว่าตรงนั้นอ่ะมันออกจากถีนัมิท่าไม่ได้เพราะอะไรอันนี้อันนี้เข้าใจมุมนี้แล้วนะ ทีนี้ถ้าเข้าใจมุมนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถที่จะประคับประคองแล้วก็สามารถเห็นการที่นเนตขมมะของบุคคลพวกละการมรรจาฉันทาเป็นต้นนะด้วยสามารถแห่งวิญญานสี่สติล่ะสติก็เป็นธรรมชาติที่ปรากฏก็เห็นสมาธิก็คือไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ปัญญาก็คือเห็นเนี่ยนี่สัตทินซีเนี่ยเขาน้อมใจเชื่อสติก็เป็นใหญ่ในการปรากฏแล้วก็เขาสามารถที่จะออก ออกจากกามฉันท้าด้วยการดิ้นน้อมก็หาเนคขมมะทีนี้พอเป็นไปในลักษณะนี้สติก็ปรากฏใช่ไหมสมาธิก็ไม่พุงสร้างปัญญาก็เห็นแจ้งเนี่ยนะสัตสินทรีน้อมใจเชื่อวิริยาก็ประครองดังที่ได้กล่าวสมาธิก็เป็นใหญ่ในความไม่พุง้งแล้วก็ด้วยสา ม, มารถในการออกจากเนคขมะดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยทีนี้พอไล่ไปตามลําดับพอไล่ไปตามลําดับจนไล่ไปยังไงไปถึงบอกว่า ตัวสัตว์ทินรียจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออสัตยยะคือความไม่มีศรัทธาเขาออกจากความไม่มีศรัทธาได้จริงๆวิริยะเขาก็จะสามารถออกจากความเกลียดค้านได้ใช่ไหมออกจากความเกลียดค้านได้เขาก็น้อมเข้าสู่วิริยะได้สติเขาก็เป็นธรรมชาติที่ปรากฏเขาก็ออกจากมุตตสติคือการหลงลืมสติเป็นต้นได้สติเขาก็รวดเร็วสมาธิเขาก็ออกจากความฟุ้งซ่าน ปัญญาเขาก็ย อ, อกจากความหลงความโง่เป็นต้นไะตัวศรัทธาเวิยร์สติสมาธิปัญญาก็ไปหุ้มหอนะ่อเนาะไปแวดล้อมกระแสจิตของท่านบุญนั้นเนะี่ยพัฒนากระแสจิตของท่านบุญนั้นให้ออกให้ออกจากอะไรให้ออกจากการมไม่ฉันทะให้ออกจากพยาบาทให้ออกจากทีนามิทัศเป็นต้นทีนี้ศรัทธาน้อมใจเชื่อเนะี่ยเป็นศีลแล้วิสุธทธิเพราะอะไรเพราะระวังความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาถามว่าถ้าไม่มีศรัทธาศีลจะวิสุธทธิได้ไหม ศีลจะเป็นศีลระวิสุทธิได้ไหมเห็น <Yeah. S 1> ไหมถ้าศรัทธาไม่แข็งแรงเป็นไม่ได้ <Yeah. S 1> เป็นเครื่องชาระธรรมอันเป็นเบื้องต้นของสัจจิิงรีนะ <Yeah. S 1> วิริยะเนี่ยประคองไว้ <Yeah. S 1> เป็นศีลวิสุทธิเพราะอาธวะอะไรระวังความเขียดค้านถศรัทธาเป็นศีลวิสุทธิได้ไหม <Yeah. S 1> น้อมใจเชื่อ <Yeah. S 1> เพราะระวังความไม่มีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วจะน้อมไปในการที่จะรักษาศีล <Yeah. S 1> วิริยะ่ะ ประคองไว้เป็นศีระวิสุทธิเพราะอะไรระวังความเกียจคา้านเป็นเครื่องชําระธรรมเ ป, เป็นเบื้องต้นของวิริยรีย์ด้วยสเตนเซียปรากรดใช่ไหมเป็นศีลวิสุทธิเพราะระวังความประมาทแล้วก็เป็นเครื่องชําระธรรมอันเป็นเบื้องต้นของสตเินเซียได้สมาธิละ่ะเป็นอัฐิไม่ฟุ้งซ่านเป็นศีลวิสุทธิได้ไหมได้เพราะระวังความฟุ้งซ่านไงถ้าฟุ้งซ่านละศีลก็จะขาดได้ไหม สีก็จะไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมก็กิเลสก็เจยวบนอยูงง่นะฉะนั้นสมาธิสีก็เป็นศีลวิสุทธิ์ที่เป็นต้นได้และชำระธรรมที่เป็นเบื้องต้นของสมาธิสีได้ปัญญสีย่อัตถิเห็นหรือรู้แจ้งเนี่ยเป็นสีระวิสุทธิ์เพราะอัตวะระวังอวิชชาไม่ให้คล่อมกุ้มลุมเป็นเครื่องชําระธรรมที่เป็นเบื้องต้นของปัญญรียอินทรีย้าในเนกขมะเป็นศีลวิสุทธิ์เพราะอัตวะระวังกามฉันทะ เป็นเครื่องชําระธรรมเป็นเบื้องต้นของอินทรีห้าและอินทรีห้าออกจากความพยาบามได้ไหมถ้าอินทรีห้าสมบูรณ์ออกจากพยาบาทด้วยใช่ไหมและอินทรีห้าเป็นศีลวิสุทธิใช่ไหมเป็นเนาะแต่ว่าระวังความพยาบามเป็นเครื่องชําระทำที่เป็นเบื้องต้นของอินทรีห้าด้ว ย, วยอินทรีห้าเป็นศีลวิสุทธิออกจากถีนมิธาได้ไหม ถ้ามีถีน้มิทะครอบงำอยู่ศีลเป็นวิสุทธิธไหม น, ไนี่เราลองดูที่ตัวเนี้ยออกได้ไหมเพราะอะไรอินทรีย์ห้าถ้าบริบูรณ์แล้วมันจะออกจากอะไรออกจากถีน้มิทะน้อมออกจากน้องก้าหาอโรมสัญญาคือทําจิตนั้นให้เกิดความผ่องแผ้วด้วยศรัทธาทําจิตนั้นให้เกิดความเพียรพยายามในวิริยะทําในประคองไว้ไง ทำจิตนั้นเองมีความประลึกในการปรากฏตลอดแล้วก็ทําสมาธิให้สามารถออกจากความฟุ้งซ่านเป็นต้นได้แล้วปัญญาก็อัตวิเห็นมันจะเข้าถึงความของสายไม่เห็นหน้าตาเศร้าหมองเรียนทำมาเหมือนคนไงจะไปไปแหละไม่ใช่เงี้ยเลยเข้าใจยังนับปฏิบัติทำนั่นนี่อย่างนั้นมาเยอะแล้วมาหมดสัทธาเข้าใจยัง มันไม่ใช่ใช่ไหมมารู้ตลอดว่าเออเนีๆๆ่ยพวกเราเนี่มันเดินกุศลไม่เป็น<ม>เดินอินทรีย์ห้ายังไม่เป็นกันเลยอ่ะ<ม>เข้าใจยังแั่เนี้ย ม, มันต้องเดินตลอดเวลาแล้วมันต้องมุ่งมั่นตลอดเวลาต้องกระตุ้นเตือนตลอดเวลาเลยเนะ่ยเข้าใจยังแต่เนี้ยนั่นแหละมันถึงจะคู่ควรมันต้องนี่คู่ควรกับการแทงตลอดสดจากอย่างอนืน <c oughs> มันมาปุ้ยมาบ่อยไม่ได้บางทีนี้นะ พระนี่นะเวลาเขาไปเกี่ยวข้องกับโยมเนี่ยเขาจะตํำหนิยังไงครัต้องถาม่านมาเนะี่ยเวลาไปเกี่ยวข้องหรืออยู่ในแวดวงของโยมญาติโยมเนี่ยนะก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเขาเข้าไปในดงงูเห่าถ้าระวังไม่ดีมันกัดเราไหมมันกัดไหมงูเห่านี้ถ้าเข้าไปในดงมันเนี่ยถ้าเอาอาหารไปให้มันอยู่เนี่ยมันยังไม่กัดใช่ไหมถ้าหยุดให้ถ้ามนิ้วเวล่อไรกัดไหมนั่นแหละท่านคิดอย่างนั้นเลยเพราะเพราะอันตรายกับท่านสูง ท่านต้องระวังตัวสูงเพราะว่างทีปรารถนาดีมองมองท่านเป็นความปรารถนาร้ายไปเลยเป็นอย่างนั้นเลยถ้าท่านจะคิดอนุข้อหน่อยดีเสียท่านเสียหายไปเลยเนี่ยเนะบางทีต้องรีบโดดออกหลายหลายท่านก็ต้องรีบ ด, ดดเป็นไว้แต่คนที่ไม่คิดออกจากการเขาก็ไม่คิดแบบนั้นคิดอวยยมสะตทายเยอะๆดีฮะถ้าไม่คิดอย่างนี้ยุ่งเดี๋ยวก็นาเข้าเน่าเข้าก็โดนงูเห่ากัด น, าานี่นี่เห็นเห็นสนิทนะมาก็เลยบอกความรู้สึกแค่นี้เข้าใจใช่ไหม ถ้าเด็กทั่วๆไปก็ก็ไม่ทะยมไม่รู้จักกันเกินคุ้นเคยก็ไม่พูดถ้ายังเราที่รู้คําสอนกันทังนั้นก็พูดความรู้สึกหน่อยว่าพระทุกองค์ที่ท่านศึกษาคําสอนท่านคิดแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะธรรมานะไม่ใช่ถ้าเขาไม่ศึกษาก็ก็ไม่ได้คิดอย่างเพราะว่ามันมันอันตรายไงถึงบอกไั้ว่าที่คิดอย่างเนี้ยไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นความเสียหายเป็นความระมัดระหว่ัง ว่าจะทํำยังไงที่เราเราจะทายถอนได้เพราะว่ากรณีที่มันเกี่ยวข้องสิ่งใดที่มันจะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้ น, มนไม่มีเรื่องวัตถุกรรมใช่ไหมฉะนั้นกรณีมันมาก็ต้องโฉบต้องมาแบบฉับชุธรรมาดาพระเดีวกั น, นี้ท่านก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความไว้วังใจใช่ไหมด้วยความไว้วังใจด้วยการที่ไวจะเนาะเนีย่ยท่าในกรณีอย่างนี้เพราะว่าอะไรล่ะการติดเชื่อมันสูงเพราะเราเป็นบุรุษชนไง การติดเชื่อของผุ้ดูชนโดยการนี่ยมันง่ายสมมุตินะท่านสมมติเนระามมพูดกันโดยตรงสมมติท่านหมาย ห, หนาจไม่รักษาพระธรรมดีไหนสมมุติมีต่รักษาเนี่ยไอมาต้องการความรู้จากท่านเนี่ยมาทํานี่เพราะท่านมีความรู้สมมุติอไอมาไม่มีทํามาต้องระวังตัวสูงมากโดยหลักการจริงๆท่านห้ามบริโภคร่วมเลยทั้งเป็ห้ามเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากไอมาจะไปเกี่ยวข้องเนี่ยไอมาจะต้องระวังตัว หนึ่งไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปฉากไม่ไปดึงอาทายาสัยของท่านคนนั้นมาด้วยเพราะทายาสายของท่านานัน้าานปผู้น้อมในผิดในคําสอนใช่ไหมแต่ท่านรู้คําสอนแค่นั้นเองมัทนทังยากไงหายากโยมหาือจะไปหาพระหาโยมก็แล้วแต่ที่ท่านน้อมออกจริงๆหายากยุคนี้แล้วที่หายากเพราะท่านไม่ค่อยปรากฏให้เราเห็นหรอกมาๆมนี่รู้จักเยอะเดินมากยิงไม่ก็อยากมาปรากฏเท่าไหร่อยากจะศึกษาแล้วก็ มันไปถ้าทํางานท ำ, าทำอะไรท่านก็ทํามืองหลังไม่ก็อยากฝากท่านจะใช้เขาไหมาท่านไม่ถ น, นดัดท่านไม่ถ น, นดัดมันจะเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าบุญถ้าเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาสิ่งที่มันถูกนี่นะบุญแล้ ว, แ ล, วแล้วเวลานี้มันจะหมดอยู่แล้วไอมาพูดตลอดใช่ไหมมันเหลือเวลาน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆโอกาสพวกเราเนี่ยน้อยก็ยัยยงดีนะสร้างบุญกันไว้พอสมควรก็ได้มีศึกมีโอกาสศึกษาก็ทํา นี่เป็นในลักษณะนี้ฉะนั้นั้งที่บอกว่าสตินรียวิริินรีเนี่ยนะก็คือว่าวิรีนรีก็ประคองไว้เป็นสีรวิสุทธิ์ก็ได้เพราะระวังความเกียดค้านสตินรีเป็นศีรวิสุทธิ์ก็ได้เพราะอาจจะว่าเว้นจากความประมาทสมาตินรียเป็นสีรวิสุทธิ์ที่ได้เพอาจจะว่าไม่ฟุ้งจึงเป็นสีรวิสุทธิ์ที่รักอุทจฉาได้นั่นแหละปัญญินรียก็เป็นสีรวิสุทธิ์ที่เพราะอาจจะระวังอวิชาคือความไม่รู้ เป็นการชำระธรรมที่เป็นเบื้องต้นของปัญรีย์อินทรีห้าทั้งหมดเนี่ยนะในเนคข ม, มัตเป็นศรีรวิสุทธิถ้าอินทรีย์าทั้งหมดเนี่ยเป็นในในเ น, เนคข ม, มัตนะเป็นสีรวิสุทธิเพราะอัตวาระว่างกามชันทะเป็นการชำระธรรมที่เป็นเบื้องต้นของอินทรีห้าอินทรีห้าในความไม่พยาบาทก็เป็นศรีรวิสุทธิอินทรีห้าในอโลกสัญญาก็เป็นสีรวิสุทธิเพราะละทีนามิทะอินทรีห้าใน อัดของความไม่ฟุ้งเลยนะไม่ฟุ้งซ่านไม่ราคาญใจก็เป็นสีเลวิสุทธิใช่ไหมหรือในสมถาวินิมิตน่ะอินทรีห้าในสมถานิมิตน่ะก็เป็นอะไรก็เป็นสีเลวิสุทธิด้วยพอละอะไรละความฟุง้งซ่านอินทรีห้าในในอะไรในความไม่หลงก็เป็นสีเลวิสุทธิเพราละอวิชาคือความหลงเป็นต้นได้นี่นะมันก็เป็นการชรททําระธรรมที่เป็นเบื้องต้นเป็นต้นได้นี่นะ ฉะนั้นเจริญสัตทินทียเพราะละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาก็ละความเร่าร้อนเพราะความไม่มีศรัทธาเพราะละกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานหน้าเดียวกับมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็ละกิเลสหยาบหยาเพราะกิเลสบางส่วนละเอียดละเอียดเพราะละโดยประการทั้งปวงฉันทาก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจเนคขมั่ด้วยอำนาจแห่งศรัทธาสัติทีก็มีประมาณยิ่งด้วยอะไรด้วยอำนาจแห่งชันทาด้วยอำนาจแห่งกลาโมทก็เกิดขึ้น ที <pouch. S 2> น wheels, show, ี the the the the ้ด้วยอำนาจของปราโมทด้วยอานาจของศรัทธาสัตหีบีมีประมาณยิ่งก็ด้วยอํานาจของปราโมทมีปีติเกิดขึ้นด้วยอํานาจของปีติเนี่ยนะเพราะปีติมาเข้าสอลโคตอีกอํานาจของศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นอีกแล้วเพราะปีติแล้วก็เพิ่มขึ้นนี่ยนี้ปัิสัทธิก็เกิดขึ้นปัิสัทธิบวกกับศรัทธาศรัทธามีอํานาจประมาณยิ่งกว่าเก่าไหมก็ยิ่งกว่าเก่าอีกงใช่ไหมทีนี้ ประการต่อมาก็คือศรัท ธ, ธาเกิดขึ้นเป็นตามดับต่อมาเพราะสุขเกิดขึ้นบวกกับศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาบวกกับความสุขสัทธิ์ทิ้งซีก็มีประมาณยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยอำนาจของความสุขนี้นประการต่อมาโอภาสก็เกิดขึ้นอํานาจของโอภาษศรัท ธ, ธายิ่งมากให่โอภาสในที่นั้นคือความสว่างภายในใจเนอะทีนี้พอโอภาสเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วในสิ่งจริงก็เกิดความสังเวชเกิดขึ้นเนาะด้วยอำนาจความสังเวชในศรัทธาก็เกิดขึ้น ศรัทธามีประมาณยิ่งสังเวชในไหนจิตก็เมื่อจิตเกิดความสังเวชเนี่ยสังเวชในที่ที่วัตถุ ก, กรกรมห เ, หออรเห็นโทษของการมทั้งหลายเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของการมาคุณมันเกิดความสังเวชถ้าเราไปจะน้องไปหาการมมาคุณจิตท่านออกออกมาก็ตั้งมั่นอํานาจของสมาธิสมาธิเกิดขึ้นอานาจของศรัทธาศรัทธาก็มีประมาณยิ่งจิตตั้งมั่นแล้วก็ประคองไวดด้ด้วยดีด้วยอำนาจการประคองไวด้ด้วยอำนาจของศรัทธา สัตทิ้งซี่ก็ยิ่งมากกว่าเดิมบีไงนะทีนี้พอมากไปด้ดีนะในส่วนจริงๆเกิดความวางเฉยในขณะที่เกิดความวางเฉยนะ่ะมันเป็นวางเฉยที่มันละเอียดกว่าเดิมอีกสัทภาก็ยิงประมาณยิง่งเป็นไปตามลําดับอย่างเงี้ยสภาวะความหลุดพ้นมันจะเป็นไปลักเขยนี้มันจะวิ่งแล่นไปตามลําดับนี่นะแต่อย่างเราเนี่ยมันได้ศึกษาอย่างนี้เราก็ได้มองเห็นเราเราอะมองเห็นแนวทางเราเราไปอย่างนี้จริงไหมมามันจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ อันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เราทนะ่านทั้งหลายก็จะต้องสืบค้นในการที่จะต้องเดินเนะี่ยตอนนี้มันเดินไม่ถึงไงเพอพูดพู ด, พ, ดพูดไปขึ้นไม้น่ะเข้าเน้เข้าและเขาเขาเรียกอะไรนะที่เอามากคยอุบ ม, มาเหมือนกับหมาป่าตาขาวนอนคุดคู่อยู่ในโพรงไม้ไม่กล้าออกจากโพรงไม้เพราะกลัวเสือดาวใช่ไหมก็มขดตัวด้วย นี่เขพูดในรักนะโอ้โหจะต้องเพิ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้ขนาดนี้ก็ไม่ไหวแล้ขออยู่กับลูกกับล้านขอทํางานไปดีกว่าแล้วก็ทําบุญธรรมดาได้รักษาศีลธรรมดาได้ใช่ไหมสมถะภาวนาพร้อมๆก็เอาเลยวอะไรเงี้ยไปเลยทอนนี้ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจยังยามงค์คดอาเราจะเอาแบบไหนเหนื่อยไหมฟังแบบนี้แล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนาะพ้อไหมใช่ศรัทธาความเปี่ยนก็นธรรมดาเนาะ สติการรมดาสมาธิมันเป็นปกติคืออย่างนี้ปริมาณของการสังขารธรรมปริมาณของการประชุมปงแกงมันน้อยไปการเสพคุ้นบุคคลก็ปัจจัยหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเราก็อ่อนแอด้วยอ่อนแอมากไม่มีกำลังมีนะพยายามจะตั้งใจเลื่อยเหลือแต่ความตั้งใจ ศรัทธามันไม่มาด้วยอ่ะปริมาณการประชุมปลาปริมาณการตรึกปริมาณการน้อมใจเชื่อน้อยลงน้อยลงทั้งๆ ท, ที่เราก็ฝ่ายดีนี่แหละจริงไหมโยมมันไม่ไปอ่ะเลยไปไม่ไปยิงเลยกลายเป็นหมดปัญญาก็เลยกระสุนหมดที่จริงก็คือว่าตรงนี้ก็คือต้องบางทีพุทธคุณอ่อนเองต้องเจริญพุทธคุณ ก็ยังธรรมคุณอ่อนแอเจริญบนที่สีนเนี่ยระดับสีราเมสติกกับสียเอาสีมาระ ล, ลึกไม่เห็นคุณมองสีก็ยิ่งโอ้โหอีกเยอะแยะหมด